Mm hm mm -hmm. พระคุณเจ้าแล้วขอเจริญพรในชีแล้วก็ญาติโยมทุกท่านจริงวันนี้บรรยากาศน่าจะเป็นแบบสบายๆนะพอมีพระพอมีพระมาฟังเทศแล้วก็กลายเป็นเครียดขึ้นมาทังทีนี <c oughs> <c oughs> ่มาพูดเรื่องความทุกข์ด้วยนะนะ ท, ที่นี่ชื่อว่าบ้านป่าบ้านสวนสุขใจนะเราน่าจะพูดกันเรื่องความสุขนะแต่จริงๆแล้วเนี่ย ไม่ว่าเราอยากจะเจอความสุขนะหรือแม้แต่เราพบความสุขแล้วก็ตามเนี่ยความจริงอย่างหนึ่งที่เราหนีไม่พ้นก็คือว่าความทุกข์มาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะเราจะแสวงหาความสุขอย่างไรเนี่ยมันก็มีความทุกข์เนี่ยเพล่เข้ามาบางครั้งก็เป็นครั้งคราวหัวข้อที่ ทางเจ้าภาพตั้งนี่คิดให้ดีก็น่าสนใจนะเพราะว่าเขาใช้คาว่าจัดการความทุกข์แต่การความทุกข์มันหมายความว่าหนึ่งความทุกข์เป็นสิ่งที่หนีไม่พ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนีไปยังไงก็ต้องเจออยู่วันยังคำ่ำประการที่สองเนี่ยเมื่ อ, อต้องเจอเนี่ยนะรู้จักจัดการกับมันดีกว่านะจะผักสายไล่ส่งบางทีมันก็ไม่ไป จัดการอย่างไรที่จริงเนี่ยความทุกคนเราเนี่ยสมัยนี้เนี่ยมไม่ใช่ความทุกข์กายเท่าไหร่หรอกสมัยนี้เราสบายเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนใหญ่มาที่นี่เนี่ยก็ไม่มีใครเดินมานะเรานั่งรถมาถ้าเป็นสมัยก่อนนี่ก็ต้องเดินมานะตากแดดนะกว่าจะมาถึงนี่ก็เหนื่อยแต่ที่นี้เรา นั่งรถมาแล้วรถเราก็ติดแอรซะด้วยคนทุกวันนี้เนี่ยความทุกข์ใเนี่ยไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่อันนี้พูดรวมๆนะแต่ที่เป็นปัญหาแทบจะไม่เป็นแต่ละวันคือความทุกข์ใจถามว่าความทุกข์ใจเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะส่วนใหญ่เนี่ยมันเกิดเพราะความคิดไปนึกถึงอดีต นึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วนึกถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นเมื่อ20ปีที่แล้วนึกถึงเงินที่หายโทรศัพท์ที่ถูกขโมยนะผ่านไปหลายวันแล้วก็ยังทุกข์เพราะใจเนี่ยไปเจ่าจุกอยู่กับอดีตที่ผ่านไปแล้วทั้งที่อยู่ในห้องแอร์นะ ท, ทั้งที่กินอาหารอร่อยกินกาแฟที่รสชาติดี นะแต่ทำไมายังทุกนะเพราะใจเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับกาแฟไม่ได้อยู่กับอาหารไม่ไดอ้อยู่กับเพลงที่กําลังบรนเลงนะเรามาที่นี่เนี่ยนะถึงแม้ว่าจะมีบูธสวยๆงามๆมีศิละปะมีดนตรีมีอาหารอร่อยนะแต่ถ้าใจเราเนี่ยไปคิดถึงเหตุการณ์ในอดีตนะเราไม่มีความสุขหรอกมาสวนป่าสุขใจก็เสียเวระเปล่าๆเพราะใจไม่มีความสุขนะ ถ้าทั้งที่ความสุขเนี่ยมันมีอยู่รอบตัวละหรือบางทีใจก็ไปคิดถึงเรื่องที่ผ่านไปเรื่องที่ยังมาไม่ถึงนะลูกสอบเข้าหมหาวิทลัยปีหน้าจะได้หรือเปล่านะไปนึกถึงงานที่คอยอยู่งานที่คาอยู่ไปนึกถึงหนี้ที่ไม่ได้ชำระนึกถึงพ่อที่ป่วยพอคิดแบบนี้เข้าเนี่ยใจไปงนทุก แต่อาจจะไม่ใช่เศร้าไม่ใช่โศกไม่ใช่เสียใจแต่เป็นความกังวลความวิตกเรื่องใจทั้งนั้นเวลาทุกข์ใจแบบนี้นะอยากขอให้นึกถึงคาถาของหลวงพ่อพุทธทาสนะคาถานี้บางคนอาจจะไม่เคยได้ยินส่วนใหญ่ผมไม่เคยได้ยินหรอกนะ สถานี้เนี่ยนะให้จำไว้ในใจนะกูไม่ได้เกิดมาเป็นทุกข์วุย้ยนะเด็กจำไมห้นะจำได้ปะกูไม่ได้เกิดมาเป็นทุกข์ว้ยหรือว่าหนูก็ได้นะถ้ากูนี่ไม่สุภาพแต่เขาไม่ได้เอาไว้พูดกับใครนะเขาไว้พูดกับตัวเองตรว่าใส่ตัวเองว่าทำไมกูเันโง่บแบบนี้กนะูไม่ได้เกิดมาเป็นทุกข์ว้ยนะเวลาเรา ตวาดใสา่ตัวเองด้วยคำถามนนี้บางทีมันตื่นนะมันได้คิดเกิดสติขึ้นมากูจะจะบ้าอะไรอยู่เนี่ยนะจะบ้าจะจมอยู่ความทุกข์ทำไมหรือไม่เชนั้นเนี่ยก็บอกกับตัวเองว่าพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงเรามาให้ทุกแบบนี้นะพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงเรามาให้ทุกแบบนี้นะถ้าทุกแบบนี้เนี่ยนะมันก็เสียแรงที่พ่อแม่อุตส่าห์นะทุ่มเทความรักมาเลี้ยงเราทุกเพียงเพราะ แค่มีสิวเนี่ยไม่กินเม็ดเนี่ยนะมันไม่คุ้มเลยนะหรือทุกขเพราะเพื่อไม่กดไลค์ให้เนี่ยเท่าที่มีนะทุกขเพราะเพื่อไม่กดไลค์โอ้ทุกข์มากเลยบอกกัตัวเองนะว่ากูไม่ได้เกิดมาเป็นทุกข์วุ้ยนะไม่กดไลค์ก็ช่างมันมีบางคนเห็นหน้าตัวเองในเฟซบุ๊กไม่สวยนะเป็นทุกข์นะเมื่อเร็วๆนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งชาวออสเตรเลียแกคงไปลักเล็กขโมยน้อยนะถูกตำรวจจับไปดัดไปดัปดสันดาลไปเรียกว่าดัดสันดาลผู้ชายชาวบ้านก็คือไปไป ไปอยู่บ้านที่ควบคุมพฤติกรรมแล้วแกก็หนีมาได้ตำรวจเนี่ยก็เอาภาพของแกเนี่ยตอนที่ถ่ายอยู่ในบ้านดัชนีเนี่ยเ อ, เอาขึ้นเอาขึ้นเว็บไซต์เพื่อประกาศตามตัวปรากว่าหน้าตาเนี่ยดูไม่ได้เลยหน้าตาแบบไม่มีความสุขเลยผู้หญิงคนนี้เนี่ยแกทนไม่ได้นะแกก็เขียนจดหมาย แ, แกก็ส่งส่งข้อความไปทางเว็บไซต์บอกว่าเอารูปแกเนี่ย ทางเฟซบุ๊กตีกว่ารูปในเฟซบุ o กของแกนี่สวยกว่านะปรากว่าวันลุ่ขึ้นตํารวจก็จับแกได้เลยเพราะว่าไปส่งข้อความไปทางเว็บไซต์เนี่ยตํารวจก็เลยรู้ว่า อ, อ๋อนี่มาจากไหนนะถ้าอยู่เฉยๆนะตํารวจคงจับไม่ได้คงจะลอยนวลแต่นี่ทนไม่ได้นะเห็นหน้าตาตัวเองเนี่ยไม่สวยนะอันนี้ไม่รู้โง่หรือฉลาดนะนะตํารวจเลยจับได้เลยนะ พรทนไม่ได้ที่เห็นหน้าต่างตัวเองเนี่ยมันไ ม, ม, นไม่มันไม่สวยไม่เท่เหมือนกับที่ใน Facebook เฟซบุ๊กนะไอ้คนเดิม น, นี่ทุกข้อให้เรื่องนเนี้นะโดยเพราะหนุ่มสาวแต่บอกตัวเองนะว่ากูไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์โวยนะแต่บางอย่างเนี่ยความทุกข์มันเป็นของจริงเช่นเจ็บป่วยไงนะโอ้เจ็บป่วยเนี่ ย, ย, ยมันเป็นของจริงอ่ะคือมันไม่ใช่แค่คิดเอาแต่มันก็มีส่วนแห่งความคิดอยู่ด้วยนะ ใจนี่มีส่วนทําให้ทุกข์ด้วยคนเราเวลาเจ็บป่วยเนี่ยเราไม่ได้ป่วยกายมันป่วยใจป่วยใจเพราะอะไรรู้ไหมเพราะใจไม่ยอมรับใจไม่ยอมรับนะคนเรานะถ้าใจไม่ยอมรับอะไรนะมันก็กลายเป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีเสียงดังแดดร้อนอากาศอ้าวไอ้พวกนี้เนี่ยมันไม่ได้ทําให้ทุกข์ใจเลย แต่พอใจเราไม่ชอบใจเราผักใสใจเราต่อต้านเนี่ยเป็นทุกข์เลยลองทำใจเป็นปกติดูสิเสียงดังก็ดังไปอากาศร้อนก็ร้อนไปไม่ทุกข์มีมีหมอคนหนึ่งก็เล่า ว, ว่าได้รับมอบหมายให้ไปเยี่ยมคนไข้คนหนึ่งที่บ้านหมอก็ขอดูประวัตินะ เห็นได้อ่านประวัติแล้วก็หนักใจเพราะคนไข้คนนี้เนี่ยแกเป็นมะเร็งที่ใบหน้าอายุแค่40กว่ามันเป็นมะเร็งที่ใบหน้าแล้วคนที่เป็นหมอนี่ยเขารู้ดีว่าคนป่วยเพราะมะเร็งใบหน้าเนี่ยนะจะเจ็บปวดมากใบหน้าที่ที่มะเร็งที่เกิดกับใบหน้าเขาเนี่ยมันมันกัดกินใบหน้าเขาเนี่ยนะเรียกว่า เต็มแก้มเลยแล้วก็กินไปถึงลิมนฟีปากบางส่วนต้องเอาเอาผ้าผ้ากอตเนี่ยปิดเอาไว้คนที่เป็นโรคมะเร็งใบหน้าเนี่ยนอกจากจะเจ็บปวดแล้วเนี่ยจะต้องเก็บตัวเองอยู่ในบ้านส่วนหนึ่งเพราะความละอายอาความอายใครเห็นเขาก็กลัวเพราะมันปกปิดลำบากถึงแม้จะเอาเอาผ้าเนี่ย ปิดแผ ล, แล้วก็ตามอีกเหตุผลนึงก็เพราะว่าไปเจอแดดไม่ได้เจอแดดแบบนี้ไม่ได้มันจะมีปฏิกิริยากับเส้นประสาททําให้ปวดมากเพราะฉะนั้นต้องเก็บตัวอยู่ในบ้านและในบ้านก็ต้องต้องมีม่านพรางเอาไว้ให้แสงเข้ามาอ่อนๆเปิดไฟบ้านได้คนที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบนี้เนี่ยนะมันก็จะเกิดอาการหดหู่ไม่เจอพู้เจอคนหดหู่ปวดก็ปวด แถมละอายอายที่จะเจอผู้คนแล้วก็ต้องขังตัวอยู่คนเดียวในอเมริกาเนี่ยคนที่เป็นมะเร็งใบหน้าเนี่ยค่าตัวตายประมาณ25เปคือหนึ่งในสี่หมอไปเยี่ยมคนนี้หมอก็หนักใจเพราะว่าเชื่อเลยคนไข้ต้องหงุดหงิดเครียดก้าวร้าวเป็นคนไข้ที่ลำบากหมอคนที่เป็นผู้หญิงแต่พอไปถึงที่บ้านประหลาดใจผิดคาดคนไข้นี่แก ตองรักขับสู้ดีประโยชแรกที่ถามคือถามาหมอเป็นอะไรเอ่าหมอสบายดีไหมถ้าถามแบบนี้เนี่ยแสดงว่าเป็นคนมีโอภาปาศัยแต่ถ้าถามว่าหมอมาทําไมเนี่ยนะอันเนี้ยเตรียมตัวได้เลยนะแสดงว่าเขาเครียดเขาหงุดหงิดเขาถามหมอหมอสบายดีไหมหมอก็เลยอ่ารู้สึกสบายใจแล้วก็เข้าไปนในบ้านก็คุยกันดี ว่างแกก็วาดภาพแกไม่ค่อยได้ทําอะไรแกก็วาดภาพเนี่ยเป็นการผ่อนคลายแต่ว่าที่หมอสุดจิตใจนะก็คือประวัติของแกแกบอกว่าเนี่ยสมัยที่ยังแกเป็นหนุ่มเนี่ยนะแกกินเหล้าเมายามากนะเมาหัวราน้ําบุหรี่ก็สูบเยอะมีครอบครัวก็ยังไม่เลิกที่สายนี้จนกระทั่งต้องเลิกกันลูกต้องไปอยู่กับเมียแกพูดไปก็เหมือนกับว่าแกยอมรับว่าไอ้ที่แกเป็นมะเร็งเนี่ยเพราะว่าพฤติกรรมแบบนี้แหละ พฤติกรรมเสี่ยงแต่ว่าสิ่งที่ทำให้หม อ, อพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหตุผลที่สำคัญที่ทำให้เขาเสงบได้ไม่ก้าร้า ว, าวไม่โวยวายตีโพยตีพายเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยวันๆเขาทำไม่รูไไ้ไม่รู้ทำอะไรไม่มีอะไรทำก็เปิดโทรทัศน์ดูช่อง CNN CNN เนี่ยมันเป็นสถานีโทรทัศน์ข่าวตลอด24ชั่วโมง เขาดูไปดูไปทีแรกก็ดูค่าเวลาแต่ดูไปดูไปก็ได้คิดนะโอ้คนเรานี่มันมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยนะช่องเซ็นมันมีแต่ข่าวน้ําท่วมฝนแรงอดอยากหิวโหวยสงครามแผ่นดินไหวก่อการร้ายดูไปดูไปก็ได้คิดว่าคนเราเนี่ยไม่ว่ารวยหรือจนเนี่ยมันก็ทุกข์ทั้งนั้นแล้วดูไปแกก็ได้คิดว่าเออไอที่ไอความทุกข์ของแกเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของความทุกข์ที่เกิดกับมนุษย์ คือเป็นธรรมดาพอแกได้คิดแบบนี้เนี่ยนะแกก็ยอมรับโรคที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้ไการที่แกยอมรับโรคที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้ทำให้แกเนี่ยไม่บน่นไม่โยวยวายไม่ตีโพยตีภายไม่มีคำว่าทำไมต้องเป็นชั้นทำไมต้องเป็นชั้นพอยอมรับโรคได้นะใจก็สงบมีแต่ความปวดกายก็อบอกว่าเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยก็พยายามที่จะ รักษาตัวให้ดีอยู่ให้นานที่สุดไม่ใช่เพราะอะไรแต่เพราะว่าอยากจะได้มีเวลาอยู่กับลูกให้มากๆเพราะว่าที่ผ่านมาไม่ได้อยู่กับลูกเลยอยู่เพื่อลูกหมอบอกว่าแกจะอยู่ได้ไม่เกินหกเดือนพรากว่าแกอยู่ได้เป็นปีและตอนที่อยู่เนี่ยก็ไม่ได้ทุกทรมานเหมือนกับคนส่วนใหญ่ที่เป็นโรคแบบนี้และตอนตายก็ตายอย่างสงบ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างคนซึ่งเขาสามารถอยู่กับความเจ็บป่วยได้อยู่กับมะเร็งอยู่กับโรคร้ายได้เพราะเขายอมรับยอมรับเป็นธรรมดาอันนี้เป็นส่วนหนึ่งการจัดการความทุกข์นะคือการยอมรับมันเกิดขึ้นแล้วจะบ่นไปทําไมโวยวายตีโพตีภายไปทําไมป่วยการที่จะบวชโวยวายอดครวญว่าทําไมต้องเป็นชั้น คนที่วุว่นวโพธิภายนี่กำลังซ้ําเติมตัวเองแทนที่จะป่วยกายก็ป่วยใจด้วยแล้เวลาเราเจอความทุกข์เนี่ยนะอย่างแรกที่เราควรทำเนี่ยนะก็คือยอมรับอยอมรับมันซะอันนี้ก็ตรงกับที่อาจารย์กําพลทองบุญนุ่เนี่ยเ ป, เป็นเป็นมะเร็งเป็นพิการเดิมก็พิการรักษาใจให้ปกติพิการแต่กายใจไม่พิการตอนหลังก็โดน เจอโรคร้ายนะแต่แต่ารกำก็ยิย้มได้ทั้งที่เป็นมะเร็งตับหมอบอกว่าอยู่ไม่นานจัรย์กพก็ยิย้มได้อาจารกำพ บ, บอกว่าเนี่ยเพราะว่ามีสามยอมอยู่ในใจคือยอมรับความจริงยอมรับความจริงว่าป่วยยอมรับเขาจะเป็นมะเร็งยอมรับความเป็นไปคือยอมรับว่าโรคนี้มันรักษาได้ยากแล้วก็ เมื่อเวลาผ่านไปมันก็จะรุนแรงมากขึ้นมันก็จะลามจนกระทั่งในสุดก็ต้องตายเราก็สามคือยอมรับความตายพอทำสามยอมนี้ได้เนี่ยนะหรือพอมีสามยอมอยู่ในใจก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะความทุกข์ก็ทำได้แต่กายเบียดเบียนได้แต่กายแต่ใจก็สงบอันะนี้ข้อที่หนึ่งเลยนะยยอมรับนะยอมรับ ความจริงหรือยอมรับความทุกข์แต่ไม่ใช่ยอมจำนวนนะไม่ใช่ยอมจำนวนก็คือว่าป่วยก็ต้องรักษาหลังคารั่วก็ไม่โวยวายไม่ทีโพยตีพายแต่ว่าต้องซ่อมอาการที่สองคือว่าให้หาประโยชน์จากมันหรือจะมองหรือจะพูดอีกแบบนึ่งก็ได้คือให้มองให้มองบวกมองบวกคือว่ามองว่ามันมีประโยชน์ยังไงบ้าง หรือว่าจะมองร้ายให้กลายเป็นดีก็ได้มองบวัวนี่มองอยังไงนะอมองได้หลายแง่อาตมาเคยพาคนไปเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งก็ไม่เชิงไปโรงพยาบาลนะเขารักษาตัวที่วัดแต่ว่าเขาพักรักษาตัวที่วัดแต่พอได้เวลาก็ไปโรงพยาบาล ที่อัดใหญ่จิตอาสาคุยถึงไปเจอเด็กอายุสิบสี่ 14, ผมร่วงหมดเลยเพราะเธอเป็นมะเร็งมะเร็งสมองแต่เธอยิ้มย้มแจ่มใสเธอชวนจิตอาสาวาดรูปทั้งสองคนนี่ชอบวาดรูปนะมะเร็งปากนี่ก็ชอบวาดรูปนะเป็นมะเร็งสมองก็การวาดรูปก็เป็นการผ่อนคลายคุยไปคุยมาเธอก็บอกว่าหนูโชคดี หนูโชคดีที่เป็นที่ไม่ได้เป็นมะเร็งมดลูกญาติคนหนึงเป็นมะเร็งมดลูกปวดมากเลยหนูโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมองแต่เธอพูดงี้นะหนูโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมองเนี่ยคือมองบวกมองว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราก็ยังดีอะไรเกิดขึ้นกับเราก็ดีทั้งนั้นอย่างน้อยก็ดีที่ไม่แยกไปกว่า น, นี้นะเวลาเจอทุกข์อะไรขึ้นมานะ เราเช้เราเติมคําว่าแค่ลงไปเนี่ยมันช่วยได้เยอะนะช่วงดีที่เป็นแค่มะเร็งสมองเน่ยที่บางคนเนี่ยแค่มีสิวนะผิวแห้งผมแตกปลายนอนไม่หลับเพราะอะไรเพราะยอมรับไม่ได้หรือเพราะเห็นแต่เห็นแต่มะเร็งเห็นแต่เห็นแต่สิวไม่ได้เห็นอย่างอื่นมองบวกความหมายคือว่ามองว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราก็ดีทั้งนั้น มองแบบนี้ได้เพราะเติงเขาว่าแค่ไปโทรศัพท์หายก็เออดีนะที่หายแค่โทรศัพท์ถูกโกงก็ไม่ทุกนะเออดีที่โกงไปแค่หมื่นบาทนะหรือว่าโกงไปแค่แสนเวลาเจอแล้วก็ตามอยู่เติงเขาว่าแค่ลงไปเนี่ยนะใจเราจะเป็นปกติได้ดีขึ้นเป็นแค่มะเร็งสมอง หรือมองก็ได้ว่าเออขอบคุณนะที่มะเร็งทําให้เราได้เห็นธรรมะถ้าไม่เป็นมะเร็งก็คงไม่เข้าวัดไม่ปฏิบัติธรรมอันนี้คือข้อดีเงินหายของหายเราจะมองว่าเออโชคดีที่หายแค่นี้ก็ได้หรือมองว่าเออของหายเนี่ยมันก็สอนใจเราในหะ้ให้เระมัดระวังไม่ประมาทต่อไปจะวาง กระเป๋านะก็ให้วางอย่างมีสติไม่ใช่วางไม่เป็นที่เสร็จแล้วก็หาไม่เจอแล้วก็มีคนหยิบเอาไปมันเตือนเราว่าให้มีสติเวลาวางข้าววางของหรือเตือนหรือบอกเราว่าเออของทุกอย่างมันไม่เที่ยมไอ้ของที่หายไปมันเตือนเราว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริง อย่างนี้ได้กำไรอย่างเมื่อปี54เนี่ยมันมีน้ำท่วมใหญ่นะเราคงจำได้นะ5ปีผ่านไปแล้วเร็วมากผู้คนเป็นแสนเนี่ยนะสิ้นเนื้อประดาตัวหลายคนเนี่ยก็สูญเสียทรัพย์สินไปเป็นจำนวนมากบางคนทำใจไม่ได้กลุ่มหอกกุ้มใจจนไปนโรคซึมเศร้าบางคนข่าตัวตายแต่มีคนหนึ่งนะ แตกยังยิ้มได้แกบอกว่าน้ําท่วมคราวนี้มันก็สอนให้เรารู้ว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงเลยทุกอย่างที่เรามีเป็นของชั่วคราวสักวันหนึ่งมันก็ต้องไปถ้าไฟไม่ไหม้น้ําก็พัดผ่าไปหรือไม่ก็มีคนเอาไปที่จริงเนี่ยต้องเติมไปว่าสุดท้ายเนี่ย มันก็ต้องไปจากเราหรือไม่เราก็ต้องไปจากมันใช่ไพอเราตายเนี่ยทุกอย่างก็ต้องกลายปเป็นของคนอื่นไปพอจะคิดแบบที่ได้เนี่ยนะเธอก็ไปทุกเสียของแต่ได้ธรรมะอันนี้ถือว่าได้กำไรนะเพราะว่าไอ้ธรรมะเนี่ยซื้อเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้ของเนี่ยหาใหม่ได้แต่ว่าธรรมะเนี่ยมีเงินเท่าไหร่ก็ก็ซื้อไม่ได้ และถ้ามีธรรมะแล้วเนี่ยต่อไปหายหนักกว่า น, นี้ใจก็เป็นสุขได้ใจก็เป็นปกติได้อันนี้เรียกว่ามองบวกนะคือมองว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันมันดีทั้งนั้นอยู่ที่ว่าเราจะมองเป็นหรือเปล่ามองบวกยังหมายความว่าอย่าไปจดจ่อกับสิ่งที่ไม่ดีไอ้สิ่งที่ดีมันมีอยู่เงินหายของหายโทรศัพท์หายแต่ว่าไอ้ที่เหลืออยู่กับเรายังมีอยู่ต้องเยอะคนกองเงินไปแม้เป็นล้านเนี่ย สิ่งที่เรายังมีอยู่ยังเหลืออยู่กับเราเนี่ยโอ้โหมันเยอะกว่าสิ่งที่หายไปหลายเท่าอย่าไปสนใจแต่สิ่งที่หายไปสนใจแต่สิ่งที่มีอย่าไปมองแต่สิ่งที่เสียให้มองเห็นสิ่งที่สิ่งดีๆที่ยังมีอยู่มีผู้หญิงคนหนึงแกป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมียตั้งแต่เกิดหมอบอกว่าอยู่ได้ไม่เกินยี่สิบก็ต้องตายเพราะเธอเป็นธาลัสซีเมียโรคเลือดเนี่ยแรงมากเหมือนน้องเลย พ่อก็เป็นพ่อมีเป็นพาหาแม่เป็นพาหาพอแต่งงานกับลูกเนี่ยเป็นร้อยเปอร์แต่เธอก็สามารถที่จะรักษาตัวจนอยู่อายุได้30สิบกว่าร่างกายเธอแค็กแกรนตาโปนกระดูกเปราะล้มทีไรเนี่ยขาหักแขนหักต้องใส่เฟือบต้องรับเลือดเป็นประจำทุกอาทิตย์ คนที่ไม่รอดจะตายเมื่อไหร่เนี่ยน่าจะมีความทุกข์นะแต่เธอยินน้มแย้มแจ่มใสก็มีคนถามว่าทำไมเธอมีความสุขเธอบอกว่าถึงแม้เลืฉันจะแย่แต่ฉันก็ยังมีตาเห็นสิ่งสวยงามนะยังมีจมูกดมกินหอมยังมีปากกินของอร่อยได้หูก็ยังฟังเพลงเพราะจะไปไหนมาไหนก็สะดวกก็ยังไปไดนะ้แค่นี้ก็มีความสุขแล้ว คือเลือดเธอไม่ดีแต่เธอไม่สนใจไงเธอมาสนใจว่าฉันยังมีอะไรดีอยู่ตาหูจมูกลิ้นกายยังดีอยู่แล้วคนที่ป่วยนะป่วยว่าด้วยโรคหัวใจก็ตามนะหรือมะเร็งที่กระเพาะก็ตามเนี่ยอย่าไปสนใจแต่ตรงนั้นให้สนใจว่าเรายังมีของดีๆอยู่รอบตัวแล้วเราจะมีความสุข เรามีร้อยนะแต่เสียแค่หนึ่งหรือ2เนี่ยทําไมจะไปจดจ่อยตรงที่ไอ้ตัวหนึ่งหรือ2ที่ไม่ดีทําไมเราไม่จดจ่อยอีก98หรือ97ที่ยังดีอยู่นะแต่คนส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะชอบซ้ําเติมตัวเองจดจ่อยอยู่ในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเด็กที่วัยรุ่นที่เป็นทุกข์เพราะว่าเป็นสิวผิวแห้งผมแตกปลายเนี่ยก็เพราะว่าจดจ่อยอยู่ในส่วนที่ไม่ดีที่ไม่สวยทั้งนั้นที่ร่างกายก็สวยร่างกายก็ สมาร์ททั้งๆที่มีอะไรต่ออะไรอยู่มากมายรอบตัวมีบ้านที่ดีมีพ่อแม่ที่อบอุ่นการเรียนก็ดีมีสติปัญญานะมีโทรศัพท์มีเครื่องเล่นดนตรีนะมีสารพัดนะแต่ไม่สนใจไปสนใจแต่ไอสิ่งที่ไม่ดีก็คือให้สือไม่กี่เม็ดเนี่ยหรือผิวที่มันไม่สวยเมื่อนคนอื่น หืมมันไปซะแล้วก็สนใจสิ่งดีๆเนี่ยนะเราก็จะมีความสุขได้พวืเรารู้จักซิโก้ใช่ไหมซิโก้ซิโก้โกี่เป็นคนขอนแก่นน่ะซิโก้ที่เป็นใครนะคนละคนกับซิ ก, ก้านะซิโก้เขาเดี๋ยวนี้ก็เป็นโค้ดมีชื่อใช่ั้ยแต่ก่อนเเป็นโค้ดเเป็นนักกีฬานักฟุตบอลระดับซูเปอร์สตาร์ เป็นแชมป์เาเป็นเป็นเอ่เ อ, เ ป, อเป็นหัวหน้าทีมทีมชาติไทยตอนหลังก็ไปแข่งค้าแข่งในต่างประเทศเช่นสิงคโปร์มาเลเเวียดนามเมื่อ20ปีก่อนนะเด็กๆหลายค น, ในใจะจะไม่รู้ตอนหลังเนี่ยสโมสร อ, อังกฤษก็ซื้อตัวเข้าไปค้าแข่งที่อังกฤษโอ้ยคนไทยตื่นเต้นดีใจมากเมื่อ20ปีที่แล้ว จะได้เห็นซิกโก้เนี่ยนะแข่งบอลอังกฤษซิกโก้ก็เป็นดีใจเพราะนั่นคือความฝันของเขาแต่ว่าจนแล้วจนรอดเนี่ยเขาก็ไม่เคยได้ลงสนามเลยนั่งแต่ข้างสนามเพราะเป็นตัวสำรองจนครบหมดฤดูกาลนะเขาเสียใจมากรุ่มใจรู้สึกว่าการแปลงเก่คขนาดนั้นเสียเวลาสูญเปล่าล้มเหลว ใครถามก็ไม่อยากพูดแต่หลังจกนั้นผ่านไปไม่กี่ปีพอมีคนถามเขาเรื่องนี้เขายิ้มเ้าบอกไม่มีอะไรเลยผมมองไม่ออกผมมองไม่เห็นแล้วเขาก็บอกว่าการไปครั้งนั้นเนี่ยมันมีแต่ได้กับได้ได้บ้านได้รถได้ภาษาได้พัฒนาร่างกายได้ท่องเที่ยวได้เจอคนหลากหลาย ได้เห็นมุมมองใหม่ๆและได้สัมผัสหลีที่มีสีสันที่สุดของโลกได้ตั้งแปดอย่างแต่ยังเดียวคือไม่ได้เล่นแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาเห็นแต่เสียเขาไม่เห็นว่าเขาได้อะไรได้อะมันได้แต่มองไม่เห็นไงไม่ใช่ว่าไม่ไม่ได้นะแต่มองไม่เห็นอันนี้เรียกว่ามองลบ ผ่านไปหลายปีเขาก็เห็นโอ้โหฉันได้ทั้งเยอนะดะดีๆทั้งนั้นเลยเขาก็เลยไม่ทุกข์ละนะเขายิ้มได้ไม่มีอะไรนะผมแค่มองไม่ออกฟังไม่เห็นอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเวลาเราเจออะไรที่ไม่ถูกใจเนี่ยนะลองนะลองมองบวงดูซิมองว่ามันมีประโยชน์อย่างไรบ้างมันมีข้อดีอย่างไรบ้าง หรือมองอย่าไปจดจ่ออยู่แต่ตรงนั้นมองว่ามันมีอะไรดีๆที่เกิดขึ้นกับเราบ้างมองโบทยังหมายถึงว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยถ้ามองให้มันดีซะมันก็ได้มีผู้ป่วยมะเร็งคนหนึ่งนะแกเป็นมะเร็งชนิดที่ต้องใช้เคมี บ, บาบัดที่แรงต้องใช้การใช้แสงในโดสที่สูง ซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยพอเจอแล้วเนี่ยจะอาจเจียนจะแพ้มากเลยแต่ผู้เปิดคนนี้ซึ่งเป็นคนหน้าพยาบาลเนี่ยเพราผมไม่ค่อยเป็นอะไรเท่าไหร่ไม่ค่อยแพ้คนก็ไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นเธอทำอยังไงมีของดีหรือเปล่านะเธอบอกเธอไม่ได้ทำอะไรเลยนะเพียงแต่เวลาโดนฉายแสงก็นึกว่ากำลังได้รับแสงสวรรค์เวลาได้รับเคมีบาบัดก็นึกว่ากาลังได้รับน้าทิพย์ นะพอรึกว่าได้แสงสวรางได้น้ำทิพนี่นะใจมันยอมรับพอใจมันยอมรับการมันก็ยอมรับมันก็เลยไม่ค่อยแพ้นะอันนี้ก็เรียกเป็นการมองบวช น, นะมองว่ากําลังได้รับแสงสว่างกำลังได้รับน้ําทิพนะนั่นเะสียงดังๆเนี่ยนะเสียงรบกวนเนี่ยลองลองมองว่ามันเป็นเสียงเพลงอยู่ บ, บ้างสิบางคนเนี่ยนะเวลานอนกับใครบางคนเนี่ยเจอเสียงกลร น, นอนไม่หลับแต่มีบางคนนะ เขามองเขาฟังเขาฟังหรือเขานึกว่าเสียงกลองจ่เป็นเสียงเพลงหลับนะเขาหลับนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการมองบวกมันมีนักบินอวกาศคนหนึ่งนะชาวรัเสรเซียรัสเซียที่เราคงทราบนะเขเป็นประเทศแรกที่ส่งนัก บ, บินอวกาศไปโคจอรรอบโลกเป็นประเทศแรกในโลกลก่อนอเมริกาเมื่อทังหกสิบปีที่แล้ว นัก บ, บิอกาศคนนี้เนี่ยนะตอนที่เขาโคจรรอบโลกเนี่ยเขารู้สึกทึ่งมากเลยนะโลกที่เขามองเห็นข้างล่างเนี่มันสวยมันสงบบรรยากาศก็ไม่มีเสียงดังเนี่ยสงบมากเลยเขาสึก ด, ดื่นดำกับความสงบและความสวยงามที่เห็นข้างล่างแต่จู่ๆเขาได้ยินเสียงดังเป็นเสียงเหล็กกระทบกันคล้ายๆแบบเนี้ยแต่มันแหลมกว่า เขาก็พยายามหาว่าเสียงมาจากไหนหาไม่เจอแล้วเสียงก็ดังขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจนเขาสึุดําคาญเขาจะหนีก็นหนีไม่ได้เพราะว่าเควบินหรือห้องนักบินเนี่ยมันแคบแล้วก็เริ่มกระสับกระสา่ายเพราะเริ่มหมุดหงิดกับเสียงนี้มันดังตลอดเวลารบกวนบรรยากาศเขาคิดต่อไปว่าเนี่ยถ้าเสียงนี้มันดังตลอดทริปของเ้าเนี่ยตลอด ตลอดเวลาที่อยู่บนในยาอนุกาณเนี่ยเขาคงบ้าเลยพอคิดคราเนี้ยเริ่มกระสับกระสายเริ่มหงุดหงิดเลยนะทุรนทุรไลขึ้นมาทีเลยเพราะเสียงเนี่ยเสียงบําบายาบน้องพลัมหายทีวบบ่าใจสภาพก็ได้สติขึ้นมาแล้วเขาก็ได้คิดว่าเอ๊ะทาไมในเมื่อเราจะต้องอยู่กับเสียงนี้ไปตลอดเนี่ยทําไมเราไม่รักเสียงนี้ดูทําไมเราไม่ลองรักเสียงนี้ดู แล้ว ก, ก็เริ่มหลับตาแล้วก็จินตนาการว่าเสียงที่เขาได้ยินเนี่ยนะมันเป็นเสียงเพลงแล้วพอรู้สึกเป็นเสียงเพลงเนี่ยใจเขาก็สงบเขาลืมตาขึ้นเสียงเพลงก็ยังอยู่ไอเสียงเนี่ยหายไปแล้วถามาจริงมันหายไหมมันไม่หายหรอกแต่มันกลายเป็นเสียงเพลงในความรู้สึกของเขาแล้ว เขาก็เลยนะไม่มีอาการกระวนกระวายมีกา ร, ม, การมีการสงบตลอดการเดินทางจนทั้งกลับสู่พื้นดินอันนี้ก็เป็นการมองบวกเหมือนกันนะเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีจากเสียงเปลี่ยนให้กลายเป็นเสียงเพลงเสียงกลนเปลี่ยนให้กลายเป็นเสียงอ อ, อเคสตรานะเราทำได้นะมันอยู่ที่ใจเมื่อวานนี้ธรรมาเทศนะอมาก็พูด อธิบายอยู่ยาแล้วก็สรุปด้วยประโยคที่ว่าเจออะไรไม่สำคัญเท่ากับว่าใจเราเป็นอย่างไรระหว่างจอสองจอเนี่ยเจอกับใจเนี่ยนะเจอเนี่ยไม่สำคัญเท่ากับใจเจอร้ายเจอเจ็บป่วยเจอความสูญเสียแต่ถ้าใจฉลาดใจเป็นกุศลใจมีสติใจมีปัญญาไม่ทุกข์ เจออะไรก็แพ้ใจทั้งนั้น <Yeah. S 1> สรุปง่ายๆเจออะไรก็แพ้ใจทั้งนั้นเจอสิ่งร้ายๆแต่ถ้าใจดีใจฉลาด ก, ก็เป็นสุขได้แต่ถ้าเจอดีๆส่วนใจเนี่ยเป็นลบทุกนะเมื่อวานนี้มีข่าวแม่บ้านคนหนึ่งถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งได้สามสิบล้าน โอ้เจอโชคอยากเจอไม่แบบนี้นะแต่ยังสรุปไม่ได้นะว่าเขาจะมีความสุขเพราะตัวที่สำคัญคือใจเจอโชคแต่ถ้าใจเนี่ยวางไม่ถูกนะทุกนะเมื่อสิบปีที่แล้วมันมีมันมีพ่อค้าเร่คนหนึ่งเนี่ยถูกหวยรล้ ว, วันที่หนึ่งนะยี่สิบล้าน ขึ้นหน้าหนึ่งไทยรัฐเลยหนึ่งเดือนต่อมาไทยรัฐก็ขึ้นอีกบอกว่าพ่อค้าเร่ถูกราวันที่หนึ่ง่าตัวตายเดือนก่อนนี่บอกยังยังแกยังยิ้มอยู่เลยนะถูก2ีสิบล้านแต่เดือ น, นต่อมาค่าตัวตายแกบอกว่าเนี่ยพอแกถูกหวยพอถูกทักที่รวัวนที่หนึ่งนะโอ้โหใครต่อใครก็มาลุมล้อม มาขอมาอ้างเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องนะมาขอเงินแกแกก็ให้นะแต่ละคนให้แล้วไม่พอใจได้มื่นไม่ไม่พอใจก็ อ, อ, จ อ, อยากได้แสนมีบางรายโทรมาดาบางรายโทรมาขู่ฆ่าจะฆ่าแกแล้วลูกแกเครียดมากเลยเลยเอาน้ํายาขัดลาห้องน้ํานเนี่ยกรอกใส่ปากแต่ลูกเนี่ยมาช่วยทัน พาไปโรงพยาบาลลอดตายผู้สื่อข่าัธย์ก็ไปถามไปสัมภาษณ์แกแกผู้ประโยชน์หนึ่งบอกว่าไอ้ตอนเป็นพ่อค้าหาเรลเนี่ยพ่อค้าเร่ตอนเป็นพ่อค้าเร่นเนี่ยมีความสุขกว่าเป็นไหนไหนมีความสุขกว่าตอนที่ถูอลอตเตอรี่ถูกรางวันที่หนึ่งมีกลายหนึ่งนะเพื่อตะมาเล่าเพื่อจามาเป็นนักเล็นทุน ไปเจอคุณป้าคึงที่ตลาดทุนคุยไปคุยมาเธอก็บอกว่าเมื่อสามวันก่อนเธอขายหุ้นไปล็อตหนึ่งล็อตใหญ่มากได้กำไรสิบล้านเพื่อนตอมะก็บอกว่าขอแสดงคมยินดีด้วยครับคุณป้าเธอตอว่ายินดีอะไรกันละ่ะถ้าฉันขายวันนี้ฉันได้กำไรละยี่สิบล้านเธอไม่ดีใจนะได้สิบล้านนะเจออะไรเนี่ยไม่สำคัญแต่ก็ว่าใจเป็นอย่างไร ทำไมเธอไม่มีความสุขทำไมทำไมเธอไม่มีความสุขเพราะเธอไม่ได้มองว่าเธอได้สิบล้านเธอมองว่าเธอเสียสิบล้านคนเราถ้ามองไม่เป็นนะได้โชคก็เป็นทุกข์นะเพราะรู้สึกว่าได้น้อยไปหรือว่ารู้สึกว่าฉันน่าจะได้มากกว่านี้คุณป้าคนนี้แกบอกว่าแกรู้สึกว่าเธอเสียสิบล้านวันรุ่งขึ้นก็ไม่มาที่ตลาดหุ้นเพื่อนแลมันก็เลยไปถามมาร์เก็ตติ้งว่าคุณป้าไปไหนได้คําตอบว่าคุณป้าเข้าโรงพยาบาลแล้ว เพราะอะไรเพราะเครียดที่ได้สิบล้านเครียดเพราะได้แค่สิบล้านได้เท่าไหร่นะถ้าเติมคําว่าแค่ลงไปนะทุกเลยนะได้โบนัสห้าล้านแต่พอเติมแค่เข้าไปเนี่ยได้โบนัสแค่ห้าล้านทุกเลยนะทำไมทาไมแค่เพราะว่าเพื่อนได้สิบล้านคนเราเนี่ยได้โชคนะแต่เติมคําว่าแค่ลงไปนะทุกเลยนะแต่ทางตรงข้ามเจอสุข เ, เจอทุกนะ แต่เติงคําว่าแค่ลงไปเนี่ยมันไม่ทุกนะโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมองอนะ่ะอ <Yeah. S 1> คุณป้าวันนี้ได้ได้โชคนะแกเจอโชคนะสิบล้านอนะ่ะแต่ยังจะมาบอกนะเจออะไรก็แพ้ใจทั้งนั้นอนะ่ะเจอโชคนะแต่ใจไม่ฉลาด น, นะใจใจโง่ะนะก็ทุกนะแล้วคนทุกวันนี้สนใจแต่ว่าขอให้ท่านได้เจอของดีๆขอให้เจอโชคเจอเจอเจอคนรู้ใจนะเจอแฟนที่น่ารัก เจอความรำ่ำรวยเจอมีประสบชื่อเสียงแต่ส่วนใหญ่ไม่ให้ความสําคัญกับเรื่องใจลืมไปนะว่าใจสําคัญกว่าโชคกว่าเจอเจออะไรนี่ยก็แพ้ใจทั้งนั้นนะเจอทุกแต่ถ้าใจดีใจเป็นกุศลก็ยังสุขได้แต่ถ้าเจอโชคเจอสิ่งดีๆแต่ใจเป็นลบเนี่ยมันทุกนะเพราะฉะนั้นก็ให้ไปตัดสินใจเองนะว่าจะเอาเจอหรือจะเอาใจนะถ้าอยากเจออะไรดีดก็ไปทําบุญเยอะๆนะแต่ถ้าอยากจะ ให้ใจสุขใจสงบเนี่ยก็ต้องภาวนานะวัป่าสุขโ ต, โตก็ได้ภูหลงก็ได้นะที่ไหนก็ได้เนี่ยฝึกใจไว้บ้างนะมันจะได้จัดการความทุกข์ได้ก็พอส ม, มุติกับเวลาแล้วมั่งเอาไปสองข้อแค่นี้ก็ล้กันนะก็คือว่าอ่าให้ยอมรับความจริงแล้วก็มองบวกพร้องกับคาถานะกูไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์กุ้ยได้ข้อหนึ่งคือว่าเจออะไรก็แพ้ใจทั้งนั้นนะพอจะทําให้มีความหวังถึงไหม อันนั้นเท่นี้แหละอ่าก็ขอเจริญพร